ไม่ได้เนินว่าทํามากทําน้อยแต่เราเข้าใจถูกแล้วเราจะรู้เองว่าทํามากขนาดไหนทําน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเรายังเข้าใจยังไม่ถูกเราก็ยังสงสัยว่าจะทํำสักเท่าไหร่ทําไปอีกเท่าไหร่เราจะสงสัยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้เราเข้าใจถูกเหมือนกับเราจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยเรารู้ระยะทางแน่นอนว่าจากที่นี่ไปกรุงเทพเป็นระยะทางเท่าไหร่200กิโล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 ซึ่งทั้งหมด8 0ดหมืรนสีรพันมังคย่อแล้วก็มาเหลือศีลสีิปัญญา mm hmm. ก็เหลือแค่สามอย่างนี่นะเพราะฉะนั้นเราในช่วงเช้าเราฟังนั่นแล้วก็หลังจากฟังเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเดินจกกุมข้างในเนะดินกลับไปเกิดกมาท่านอาจจะนำโดยจุกกลมไปข้างหน้าบางถอยหลังมาทางนี้บางเพือ่อที่จะให้ผ่อนคลายนะนนตอนนี้เราก็ฟังท่านดู Thank you. <coughs>